ออต่อห น, นี้ไปพึงพากันตั้งใจให้เดียใจดวงเดียวเท่านี้ที่เราจะต้องฝึก้นอบรมจไปฝึกกายนี่จะไปตกแต่งร่างกายนี่ให้มันดีมันงามให้มันยั่งยืนต่อไปมันทำไม่ได้ ส่วนจิตนี่สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ฝึกให้มันหลุดพ้นจากกิเลสตันหาก็ทำได้ว่าแต่คนเรานี่นะเบื่อกิเลสหรือไม่มันปัญหาอยู่ตรงนี้เบื่อกิเลสตือไม่ เบื่อทุกข์หรือไม่มปัญหามอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เบื่อกิเลสไม่เบื่อทุกข์มันก็ไม่พยายามหาทางออกจากทุกข์ท่านอุปมาไวเหมือนตัวหนอนอยู่ในซ้วม มันก็ว่ามันได้อยู่ดีมันได้กินดีใครมาชวนไปอยู่ที่อื่นมันไม่ไปแล้วอันเป็นยัางไางเรื่องมันนะถ้าหากว่าเป็นคนอย่างนี้นะจ้างตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นให้ไปแช่อยู่ในส้วมนั่นมันก็ไม่เอาไม่ไป ทั้งนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะความรู้ความเข้าใจความฉลาดมันยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันสัตว์เหล่านั้นมันความรู้มันแคบเต็มทีมันไม่มีความรู้กว้างขวางอะไรเลยมันไม่มได้พิจารณาเห็นว่า สถานที่เราอาศัยอยู่นี่มันโสโครกสุกปกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมันคิดไม่ได้เลยเพราะว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่มากมายเป็น อ, อย่างนั้นไอคนเรานี่นะมันก็มี ยินทรียยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันอย่างนั้นเนี่ยผู้มีวัสนาบารมียังอ่อนอยู่มันก็หลงสมมุติหลงบรญญัติของโลกไปโลกเขาสมมุติว่าอะไรสวยงามก็ยินดีไปตามโลกเขาสมมุติว่าทําอย่างนั้นมันสนุกสนานดีต่ออายุให้ยืนยาวนานอเช่นนี้ก็ ดินไปตามเขานี่นะไม่หวนมานึกถึงความจริงของสรรพสิ่งทั้งปวงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเลยเป็นอย่งงางนั้นคนส่วนมากเมื่อกิเลสตัณหามันครอบความจิตใจเอาแล้ว ก็ลืมคำสอองพระพุทธเจ้าไม่นึกถึงเลยนึกไม่ได้เลยอเป็นยงั้นดังนั้นระเบียบในพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้เป็นผู้มันประชุมกันเนืองนิด เ, นเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิก และพร้อมเพียงช่วยกันทากิจที่สงจะตรร้องทาอย่างนี้นะพระโพธเจ้าสอนไว้ไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พงไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นั้น ภิกษุเราใดเป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อถ้อยคำของภิกษุเรานั้นไม่รู้ไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่า ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งยังไม่มาถูอาวาตขอให้มาเมื่อมาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเจตประการนี้เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเลยผู้ใดประพฤติปฏิบัติไปตามแล้ว ไอ้นี่ละการที่คนเราจะตื่นตัวได้จะมีความรู้สึกกว่วงขวางออกไปได้ก็เพราะอาศัยการมันประชุมกันบ่อยๆนี่นะมีเรื่องอะไรก็พูดกันในที่ประชุมนี้อย่างงี้น ะ, ะพระพุทธเจ้าทรงไม่พระองค์ไม่ได้เป็นผาดการเลย พระองค์เึงได้ทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขด้วยความสมัครสมานสามคีกันรักใคร่กันเมตตาเอ็นดูกันโดยฐานที่ต่างคนต่างข้อสแสวงหาทางออกจากทุกข์เหมือนกันต้องการความสุขเหมือนกัน เบื่อนายต่อความทุกข์เหมือนกันใครๆก็ไม่อยากได้ทุกข์เราพูดถึงความทุกข์แล้วกก็จะเบืออหน้านี้แต่อย่างนี้นะเราต้องอ่านดูความประสงค์ของกันรในกันให้ออกการอยู่ร่วมกันเมื่อต่างคนต่างมีเจตนาดีเบื่อความเป็นอยู่ในโลก อยากนทุกข์ก็จึงนี้เข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติธรรมผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าก็บวชเป็นภิกษุสามเณรไปสุภาพสตรีก็มาบวชลุ่งขาวห่มขาวรักษาสิ้นแปด ทำตัวเป็นคนผู้เดียวไอ้ผู้ที่ยังนุ่งขาวห่ขวมขาวโคลนผมโคลนคิว้วยังไม่ได้ก็มาม า, มานุ่งขาวห่มขาวไม่ต้องโกลนผม อ, อ่อพยายามปฏิบัติไปบางคนก็อาจจะนุ่งขาวห่มขาวไม่ได้ก่อนก็มารักษาศีลห้า ให้บริสุทธิ์และปฏิบัติวัตวาอารามสมัรเป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงหมู่เลี้ยงคณนนะไปหมูนี่มันล้วนแต่เป็นการพยายามออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะเมื่อมาทาตัวเป็นคนผู้เดียว อยู่ในวัดป่าอารามแล้วทั้งทางกายและทางจิตใจก็ทำไม่เป็นใจเดียวพยายามทำใจให้เป็นใจเดียวอย่าให้เป็นสองใจสามใจไปนี่แหละการที่มันจะพ้นจากทุกข์ได้มันก็อยู่ตรงที่ทำใจให้เป็นหนึ่ง เป็นใจอันเดียวใจอันเดียวนี่มันไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่คล้องกับอะไรอาศัยของไม่เที่ยงแต่ไม่ยึดไม่ติดอยู่ในของไม่เที่ยงนั้นข้อบุญกรรมมันแต่งมาเนื่องจากว่าตนสร้างบา ร, รมียังไม่เต็ม แต่จำเป็นก็ต้องมาใสขันห้านี้สร้างบุญบา ร, รมีไปคอให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นถึงมันจะไม่เที่ยงไม่นทนทาน้าวรนวิบัติเร่ปวนไปยังไงก็ต้องอดต้องทนต้องอดต้องทนเพื่อได้ประกอบกุศลคุณงามความดี ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปผู้ใดอดทนได้ผู้นั้นก็จะรู้เท่าทุกข์ต่อไปเพราะว่าทุกข์นี้พระศาสดาทรงสอนให้รู้เท่าเนื่องจากว่าทุกข์นี้มันมีขันห้าเป็นฐานที่ตั้ง เมื่อขันหน้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นมันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆพอเรารู้อยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นมานี่โดยเฉพาะร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยง เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปวนกระทบ ก, กระทั่งกับดวงกิดนี้ดวงกิดนี้มันก็มีบุญกรรมเป็นเครื่องน่วงเหนี่ยวให้อาศัยอยู่ในขันหน้านี้ขันห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับตราบใดมันจะหนีจากขันห่านี้ก็ยังไม่ได้อืมดังนั้นต้องอดต้องทอนเพ่ง ดูความไม่เที่ยงของขันห้านี่เสมอเสมอไปอดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดจากสัมผัสคือในระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันเราจะไม่ให้มันรับรู้ความสัมผัสอันไม่น่าพออกพอใจต่างๆก็ไม่ได้เราจะไม่รับรู้ สัมผัสอันเป็นสิ่งที่น่าพอใจต่างๆก็ไม่ได้เพราะว่าโลกสนิวาทอันนี้มันก็มีสิ่งที่น่าพอใจหนึ่งสิ่งที่ไม่น่าพอใจหนึ่งเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่ามันไม่มีสาระแกนสารอะไรสิ่งที่ตนพอใจ หรือไม่พอใจเหล่านั้นมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแ ป, ปรปวนแตกดับไปรู้อย่างนี้แล้วก็ควบคุมจิตตัวเองให้ตั้งอยู่กลางกลางมไม่เอียงไปข้างพอใจไม่เอียงไปข้างไม่พอใจควบคุมจิตดวงนี้ให้ได้เราจะไปอยู่ลอยๆแล้วให้มัน หนักแน่นไปเองให้มันเป็นกลางไปเองอ น, นี้มันไม่ได้นะให้เข้าใจตัวเองต้องควบคุมตัวเองเข้าไปต้องอดต้องทนต้องสะกดความรู้สึกอันนี้ไว้นี่แหละต้นเหตุที่มันจะหลุดจะพ้นไปได้คอ้เข้าใจ ก็มัชฌิมาปฏิบัติธทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็การที่จิตจะเข้าสู่ทางสายกลางได้มันก็ต้องฝึกอย่างที่ว่านี่เนี่ยต้องอดต้องทนต้องรู้จักข่มจิตในเวลาจิตมันเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆอย่าปล่อยให้มันเพลินไปอย่างนั้นต้องข่มจิตไว สะกดจิตไม่ให้มันคิดไม่ให้พุงแต่งไปนี่แหละคำว่าการฝึกนะให้เข้าใจการคมการอดเช่นนั้นนะ่ะมันก็ต้องเกิดทุกขเวทนาเป็นธรรมดาเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องกิเลสผสมประสานอยู่ด้วยคันเมื่อเราฝึกอดทนต่อทุกขเวทนาอย่างนั้น เดียวมันก็จะพ้นจากอำนาจแห่งตัณหาเนี่ยตัณหามันก็จะไม่ยอมง่ายๆมันก็กระทบกระทั่งมันก็โดนจิตโดนใจให้วันไวไปตามทุกเวทนาต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาเนนะหากว่าจิตนี่ไม่รู้เท่าเวทนาแล้ว ตัณหามันก็ยองเกิดขึ้นมันเป็นยงนั้นดังนั้นให้พึงพากันเข้าใจผู้ปฏิบัติทรรมในพุทธศาสนานี้ก็ต้องเข้าใจหลักที่เราจะเอาชนะความทุกข์และชนะตัณหาได้โดยโดยรวบรัตตตอนนะอ ถ้าเราจะไปที่นาไปกงกวงออกไปเลื่อยเปลยไปอย่างนี้ไม่มีที่จบไม่มีที่จบคงได้เหมือนอย่างที่เขาเจาะรูอ่าตรงนี้จะต้องเจาะให้เป็นรูทะลุไปนู้นอย่างนี้เขาก็พยายามเจาะอยู่ที่เดียวนั่นเลยเจาะไปเจาะมาไม่ท้อไม่ถอยนานเข้ามือกัททะลุไปทาง ข้างโล่นได้อืถ้าไปเจาะไปนอนหนึ่งแล้วมันยากเหลือเกินตรงเนี้ยเอาเราก็ย้ายไปเจาะที่อื่นอีกเห็นว่ามันยากกว่าย้ายไปอีกอย่างนี่ยลองคิดดูสิมันจะเป็นรูได้ที่ไหนล่ะมันจะทะลุได้ยังไงอ่ะอืมที่ฉันได้ก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเห็นว่าตนนัณหามันมีกําลังมันลบเล่าจิตใจให้พุ่งท่านให้ เกิดทุกเวทนาขึ้นอย่างนี้นะท้อใจเสียไม่ไหวหรอกเราต้องผ่อนผันซะก่อนอย่างนี้ผ่อนผันเท่าไหร่ตัณหามันก็ยิ่งกำเริบขึ้นมันเปรนงันดังนั้นเราต้องทำลายปัจจัยของตัณหาลงไปแล้ว ตัณหามันก็เกิดไม่ได้ก็เพ่งเวทนานั่นนะรู้เท่าเวทนานั่นนะนั่นะเช่นอย่างความกำหนัดจินดีมันก็เป็นก็ก็มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นเหมือนกันนี่นะเอาเพ่งทุกขเวทนาอันนั้นไม่วิตกวิจารไปอพอใจอะไรกับอารมณ์ต่างๆเพ่งอยู่แต่เวทนานั่น เมื่อรู้เท่าเวทนาไม่ยึดถือว่าเวทนานี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะไรอย่างนี้วเวทนานี้มันก็ดับสิเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วเพราะว่าจิตมันสร้างขึ้นอันเวทนาอย่างว่านี่นะไม่ใช่เกิดจากโรคภยัยทางกายมันกำเริบไม่ใช่อย่างนั้นจิตสร้างอารมณ์แห่งความกำหนัดขึ้นในใจเอง เมื่อจิตเห็นว่าควรละควรรู้เท่าเวทนาเหล่านี้นะไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเพราะมันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์เห็นอย่างนี้แล้วก็ใจกล้าไม่ท้อถอยอ่ะแพ่งอยู่นั่นเมื่อมันรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเราจริงจังนั้นเวทนานั้นมันก็ระ ง, งับไปอ่ะ ความกำลหนัดต่างๆมันก็รังงับไปตามเวทนามันไปอย่า ง, งานั้นเนดะิมมาน่ะเลยจะไปใช้อบายก้องๆ อ, อะไรมาคิดมาสอนจิตอันนี้ให้มันละกองกําหนัดยินดีไม่มีทางอขอให้เข้าใจมันต้องเอากันใกล้ๆนี่แหละเพราะเวทนาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหา ความทะาเยอทยายนอยากอันไม่มีขอบเขตเลยนี่ก็เมื่อกล่าวโดยรวมๆแล้วก็เรียกว่ามันอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจนี่เองไม่ได้หมายอย่างอื่นหรอกคำว่าตัณหาความอยากเนี่ยดังนั้น มาห้ามจิตนี่เสียจะให้มันอยาก น, นี่นะสำคัญตรงนี้เมื่อห้ามจิตได้ความอยากมันก็ไม่เกิดในใจนี่อ่าก็จะไม่ให้อยากได้อะไรบ้างหรือว่างั้นพอได้อาศัยปัจจัยอยู่ในโลกอันนี้อืมก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้หมายอย่างนั้น ความพอใจอันใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันใดมันก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะแล้วเราไม่ต้องยินดีกับมันยินไลกกับมันหมายความว่าอย่างนั้นอถ้าหากว่าการได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันไม่ก่อให้เกิดราคะเป็นต้น ดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรต่อจิตใจหมายความว่าเมื่อเมื่อฝึกจิตให้รู้แจ้งและให้รู้เท่าแล้วนะเช่นรูปอย่างนี้ก็เราอาศัยตานี่เนะี่ยมองเห็นรูปต่างๆมาเก็ดจิงค่อยอทำการทำงานได้นี่นะเรามองดูในสิ่งที่ เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นแล้วทำสิ่งนั้นนันลงไปอย่างนี้เอายกยกตัวอย่างเช่นเราไปบินธบาตอย่างนี้นะ อ, ะอันนี้เพื่อบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นลองคิดดูประโยชน์ตนก็ได้อาหารมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ประโยชน์ผู้อื่นเขาก็ได้ทำบุญทำทาน เพราะเขารู้ว่าพระเนรมีศีลมีธรรมไม่รู้อำนาจแก ต, ตันหาเขาจึงยินดีบริจาคเมื่อเช่นนั้นเขาก็ได้บุญได้กุศลด้วยเนี่ยถ้าหากว่าไปวิ น, บ า, นาบาทเนี่ยไม่สำรวมแลบวเนี่ยเลี้ยววอกเลี้ยวแวกมองเมื่อนูอนน้นเนมื่อที่นี้ ญาติยโยมเขาเห็นเขาเขาก็ว่าเอ๊ะพระเนนไม่สังรวมระวังแสดงว่ามีจิตฟุ้งซ่านเรื่อนรอยอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ทำให้เขาคลายศรัทธาเรื่มใสลงมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรก็เดินไปก็สร้างกิเลสไปในใจ ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามกระแสะของอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเช่นนี้ก็จะเป็นประโยชน์อะไรล่ะการบินทะบาทนะนนเนี่ยเป็นประโยชน์หนึ่งก็ได้อาหารมาฉันเท่านั้นแต่ไม่เป็นอุบายที่จะละกิเลสถ้าหากว่าเดินบินทบาทเนี่ยสำรวมตาหูจมูกกลีนกายใจ ให้ได้โดยเฉพาะเมื่อสัมรวมจิตได้แล้วมันก็สัมรวมตาสัรวมหูได้เหมือนกันเนี่ยคืออย่างนั้นสัมรวมจิตไปเพ่งพิจารณาจิตของตนวัดจิตตนเป็นปกติอยู่ก็ประคองจิตที่เป็นปกตินั้นก็ประคองจิตที่เป็นปกตินั้นให้สมมเสมอไป อย่าให้มันวอกแวกอพออาศัยสติความระลึกได้นี่แหละหมายความว่าเราไม่ระลึกไปทางอื่นระลึกเข้าไปหากายหาจิตนั้นแต่ก็ต้องระมัดระวังภายนอกด้วยอืมมันเป็นอย่างนั้นในการสำรวมในที่นี้นะเมื่อเราทำได้อย่างนี้มันมันก็เป็นประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นอันนี้ ไม่เฉพาะแต่ไปวินสาบเท่านั้นไปไหนอยู่ไหนก็ตามไปไหนอยู่ไหนก็มีสติสมบัติเสญญะรักษาจิตตรงนี้ให้เป็นปกติให้ดําเนินอยู่ทางสายกลางให้มันเป็นกลางอยู่อย่างนั้นอให้มันเป็นกลางได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ไหมก็มางั้นแต่ถ้าเผลอๆแล้วมันก็อาจจะเป็นกลางไม่ได้แต่ก็อย่าให้มันเผลอไปนานให้มันเผลอไปไปเดี๋ยวพอดาวรู้ตัวแล้วกว็รีบสำรวมจิตทันทีเพ่งจิตทันทีอย่างนี้เพ่งละอารมณ์ที่มันเผลอมันหลงคิดหลงปรุงไปเมื่อสัก กัดกั้นจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็ละอารมณ์ันนั้นได้อารมณ์นนั้นมันก็ดับจากจิตไปเอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันวิธีฝึกฝนจิตใจโดยทางลัดไม่อ้อมค้อมมันต้องเพ่งความรู้สึกอันนี้แหละเป็นหลักเลื่อยไปเลยนะอ้มสติมันต้องอยู่กับความรู้สึกอันนี้ เป็นส่วนไหลเว่นเสียแต่เวลามีกิจการงานอะไรกดเรื่องคิดเรื่องพิจารณาเรื่องการเรื่องงานต่างๆอก็จึงใช้สตินี้ไปเพ่งดูการงานต่างๆอต่ถ้าจิตตั้งมั่นลงไปแล้วสติเราเพ่งการงานต่างๆมั่นก็รู้มันก็เห็นการเห็นงานนั้นนั้นว่าควรจะทําอย่างนั้น คนจะทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเจนเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะแล้วมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อจิตใจฮ่าฮห า, หาว่ามีสติควบคุมจิตได้อยู่เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ขาดสตินี่สติอ่อนนี่มันย่อมไหวไปตามอารมณ์ง่าย นี่ได้ให้ใหใหใหพิจารณาหเห็นจุดบกพร่องของการปฏิบัติธรรมแต่ละคนละคนมันบกพร่องอยู่ตรงนี้นะส่วนมากนะบกพร่องสตินี่เนะส่สติระลึกควบคุมจิตไม่เพียงพอหมายความว่างั้นมักจะใช้สตินี้ระลึกไปทางอื่นมากกว่า ที่จะระลึกเข้ามาหาจิตนี้นี่นะคอยพ่สูตน์ดูนะมันจะเป็นความจริงไหมถ้าเห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้ล้วก็พยายามสร้างสติให้มันอยู่กับจิตกับใจกับกายนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าไม่เข้าใจจุดนี้แล้ว มันจะปฏิบัติไปนานเท่าไหรก็ไม่ได้ผลนะเ อ, อจิตใจไม่หนักแน่นจิตใจไม่กล้าหานเลยไม่กล้าหานที่จะละกิเลสต่างๆในหัวใจนั่นนะ่ะนั่นไนงะคนละกิเลสไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเมื่อสติมันอ่อนแอแล้วจิตมันก็อ่อนแอไปเหมือนกันอย่างนี้นะ ยังว่าจิตนี่มันจะเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยสติอย่าไปลืมมีสติประคับประคองอยู่เลื่อยไปอย่างนี้นะมันจึงไม่ปมมามันจึงไม่สะดุ้งต่ออารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมามันจึงไม่วันไหวไปตามแลาต้องมันฝึก ทำสติมันแก่กล้ามันระลึกเข้ามาหาจิตทากายนี่ให้รู้กายตามเป็นจริงให้รู้จิตตามเป็นจริงความจริงเน่ะจิตนี่มันก็ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรหรอกพระพุทธเจ้ายังแสดงไว้ในสติปัฏฐา น, นให้เพ่งพิจารให้เห็นจิตในจิต ให้สักแต่ว่าไม่เป็นจิตเลอสมมุติเฉยๆมันไม่ใช่สาสตร์ปุก ค, คลตัวตนเราเขาอะไรเลยมันเป็นแต่เพียงธาตุรู้เท่านั้นเองเอา้าวถ้าอย่างนั้นเราจะไปฝึกันทำไมบางคนก็จะคิดอย่างนั้นแหละเมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องมัน มันจะไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องมันไม่ใช่เหรือไม่ใช่อย่างนั้นไอ้จิตตวงนี้ถึงไม่ใช่ตัวตนของเราแต่หมายความว่ามันก็เป็นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตอันนี้มันมีความรู้สึกนึกคิดไปตามกระแสของโลกได้ มันซึ่งไม่เหมือนธรรมชาติอย่างอื่นเช่นดินน้ำไฟลมต่างๆรูปเสียงต่างๆวันนี้มันคิดอะไรไม่ได้มันไม่รู้จักทุกมันไม่รู้จักร้อนหนาวอะไรรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นผู้ที่มารู้จักความไม่เที่ยงของโลกรู้จักความทุกข์ทนได้ยากลำบาก ก็เพราะจิตตรงนี้เองนะแต่พราะจิตรจตรงนี้แหละอืมจิตตรงนี้แหละเมื่อได้ฟังคําสั่งสอนของพระเทเจ้าแล้วถ้าจิตตรงนี้มันได้สะสมบุญกุศลมาแต่ก่อนมากมันก็ฟังคําสอนของพระเทเจ้าได้เข้าใจได้อืมเห่นพระ อ, องค์เจ้าทรงสอนทุกขเป็นของควรรู้เท่า ไม่ใช่สอนไม่ใช่สอนให้ละละไม่ได้ขันหายนายังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั่นอย่างนี้นะผู้มีบุญวาถนาบา ร, รมีได้ฟังแล้วมันก็เข้าใจอดไปอ่ะมันเป็นงั้นเมื่อตัณหานี่มันลังับไปแล้วทุกขเวทนานตามมันก็เบาลงเบาลงแล้วก็มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันกฎธรรมดาของมันมีอยู่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่กฎธรรมดามันมีอยู่ประจาโลกอย่างนี้นะอันไม่มีเกิดไม่มีดับแต่พระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นขอให้เข้าใจกัน ดังนั้นแหละนักปราดผู้มีปัญญาท่านจึงสร้างบุญบา ร, รมีไปไม่หยุดไม่ยัง้งเพื่อให้บุญบา ร, รมีแก่งกล้าแล้วก็จะได้ช่วยดวงจิตให้เข้าสู่นิพพานไปจะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่กับโลกอันนี้อีกอันจิตีเมื่อมันฉลาดแล้ว มันได้รับการฝึกมันได้รู้จักคมรู้จักทำให้ส ง, งบรู้จักปลอบเวลามันหงอยเหงาเศร้าโศกผิดหวังอะไรต่ออะไรน้อยเนื้อต่ำใจมาอย่างนี้น ะ, ะก็มีอุบายสอนให้มันรู้ว่าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยง แล้วจะให้มันได้สมหวังไปทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาแต่ที่ไหนเพราะทุกสิ่งที่ตนผูกพันอยู่ในล้วนจ่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยอืมเมื่อมันมีได้แล้วมันก็มีเสียแต่ก็มันไม่ใช่เสียไปตลอดมีทางได้ก็มีอย่างนี้ได้มาแล้วก็ได้อาศัยมันไปช่วระยะหนึ่ง มันก็หมดเขตของมันไปแต่ละอย่างยกตัวอย่างเช่นอาหารรับประทานเข้าไปในกระเพาะแล้วไปถ้าก็ย่อยส่วนละเอียดไปเลี้ยงร่างกายส่วนอยากก็เป็นกากก็ถ่ายเทออกไปก็อย่างนี้เลยมันกระทุกสิ่งอย่างก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงยังย่งยืนเลยสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ย ้านุ่งพ่าห่มเอา้านุ่งไปห่มไปนานเข้ากอดผุไปชารุดไปพิ้งไปเอาปืนใหม่มานุ่งมาห่มไปพิจารณาดูให้มันเห็นความไม่เที่ยงสิ่งที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะให้มันเห็นชัดอย่าประมาท เมื่อมันเห็นชัดอย่างนี้แนละ้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเ น, นี่ยเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดยินดีพอใจลงไปจิตมันก็เป็นกลางแล้วแบบนี้นะอ่าเป็นมัชฌิ ม, มาเป็นทางสายกลางเลยอ้าวสิ่งที่น่ายินไล่กระทบกระทั่งมาก็าไม่ยินไ้่อ่าจิตก็เป็นกลางอยู่ได้นี่ สิ่งท่นายินดีพอใจต่างๆกระทบกระทั่งมาก็ไม่ยินดีพอใจตกลงว่าจิตอย่างนี้นะ ก, ก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางต่อของไม่เที่ยงง่ายๆเง็นไหมเป็นกลางต่อสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันแล้วก็มีจะเพียงว่ากําหนดรู่รู้อยู่รู้ความเกิดของสรรพสิ่งทั้งปวง แล้วรู้ความแปรปวนของมันรู้ความแตกดับของมันไปนี่จิตที่ฝึกให้ดีแล้วที่ตั้งมั่นด้ยดีแล้วย่อมมีแต่กาหนดดูรู้ความเกิดความแปรปวนแตกดับของสังขารทั้งหลายไปอยู่เงี้ยเพราะว่ายัง สละมันไม่ได้นี้เพราะบุญกรรมที่ทํามาแต่ก่อนมันยังอุปธรรมบํารุงอยู่เนื้อเจรละมันทิ้งเสียมันมันก็มันละก็ละไม่ได้คนผู้เท่เบื่อทุกแต่ไม่มีปัญญาเมื่อทนได้ประสบความทุกข์แล้วไม่มีปัญญาหาทางออกไม่รู้เท่าทุกข์เหล่านั้นได้ เมันก็ครับแค้นใจอย่างแรงก็ฆ่าตัวตายเท่านั้นเนี่ยนึกว่าเมื่อฆ่าตัวตายลงไปแล้วนะมันจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้อืแท้ที่จริงแล้วมันหาพ้นไม่ไม่พ้นแล้วอืยิ่งเป็นกรรมเวียนๆอีกตามสนองไปเกิดไปชาติใดเมื่อถึงเวลากรรมาเ น, น้นมาสนองแล้วมื่อก่อ คิดฆ่าตัวตายเนะ่ะมันบันดาลให้ผิดฝังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วครับแค่นใจอย่างแรงขึ้นมานะ่คิดฆ่าตัวตายเหมือนกับชาติทีปัจจุบันอที่ฆ่าตัวตายอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่นี่ถึงห้าร้อยชาตินะอ่าจึงจะหมดเขตของกรรมเวรอันนี้ดังนั้น สาธุชนทั้งหลายไม่ควรที่จะไปคิดฆ่าตัวตายเลยแม้ว่ามันจะผิดหวังในชีวิตอย่างไรอย่างไรก็ตามก็ขอให้หันหน้าเข้าวัดเข้าวาให้ไปฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำบุญทำทานไปอย่างนี้จิตใจมันก็คงจะคลายความทุกข์ความร้อนลงไปได้บ้าง ถ้าว่าเข้าวัดบ่อยๆเข้าไปมันก็จะมองเห็นช่องทางทรรมมาหาเรี่ยงชีพได้เพราะว่าคำสั่งสองพระติเจ้าไม่ใช่จะสอนให้คนไปพนิพานอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อบคุคคลยังไปพนิพานยังไม่ได้ก็ทรงสอนให้ธรรมมาหาเรี่ยงชีพ โดยทางสุจริตอย่าไปทําไปในทางบาปทางกรรมมันเป็นทุกข์ไปในเบื้องหน้า อ, อย่างนี้แหละทรงสั่งสอนให้เลือกอาชีพอาชีพอันใดมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อทุกข์ก็อย่าไปทํามันออาชีพใดพี่นาเห็นแล้วไม่ขัดต่อศีลอย่างนี้ก็จึงทําการงานอันนั้น การงานที่ไม่ขัดต่อสินก็มีเยอะในโลกอันนี้นะไม่ใช่แต่มีแต่การงานที่ขัดต่อสินผู้มีปัญญามันก็ย่อมเป็นเช่นนี้แหละไม่ยอมจนกรอกหมายความอย่างนั้นนี่แหละการผูกกิจมันก็มีคุณานิสงอย่างนี้เองนะขอให้เข้าใจ ก็ฝึกเพื่อตนนั่นแหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นอะไรน ะ, ะเพื่อดวงจิตเองนั่นแหละละความยึดความถือทุกสิ่งทุกอย่างหัดละหัดปงหักวางลงไปแล้วดวงจิตนันมันก็หลุดพ้นไปลนะเมื่อมันยินซีมันแก่กล้ามเต็มรอบแล้ว มันก็มีกำลังเต็มที่อถอนรากถอนเง้าของกิเลสทนายทิ้งไปหมดได้เลย อ, อย่างนี้นะการฝึกขนอารมณ์ตนมันมีคุณานิสงมากมายอ่ะทำให้กิเลสตัณหามันน้อยบบาวางไปดูลำดับเลยเมื่อมันน้อยไปน้อยไปนกำลังบุญกุศลสติปัญญามันมากขึ้น วกิเลสนั้นบารนี้มันก็ถอนรากของกิเลสอนั้นคาดออกไปจากกิจสันดานนี้ได้มันเป็นอันเดิมมานะตรงเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาตามอุบายที่แนะนำสั่งสอนนี้ให้เข้าใจความหมายเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้ว ก็ลงมือทำคกามเพียรไม่ต้องคอยให้อุปชาอาจารย์บังคับบัญชาอย่างไงทําได้ถ้าถ้าไปหวังอย่างนั้นอยู่ไม่ได้แล้วใครจะไปตามสั่งสอนเราทุกอิริยาบถไม่มีเพื่อนแนะนําสั่งสอนให้แนวทางปฏิบัติชี้ให้แล้วอันปฏิบัติยืนหลักอยู่อย่างไร ก็นแนะนํามาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยืนอยัดอยู่ในข้อปฏิบัตินั้นแล้วมันก็พึ่งตัวเองได้นะคนเราแบบนี้ืฝึกจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นแล้วก็พึ่งตัวเองได้นะคนเรามันเป็นงนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจให้เต็มความสามารถของใครของเรา ดังสแสดงมา